ทำหบภาวัฒนาหมายถึงการรวมความรู้เข้าสู่จุดของงานงานนั้นก็ได้จากคำบริกรรมหรือจุดใดจุดหนึ่งที่เราตั้งหน้าจะทำงานกับจุดนั้นเช่งผู้กำหนดอนาปาณัตถุหมายถึงลมเป็นเป็นงาน ตั้งสติเรืยองที่ตรงนั้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะลมนั้นเท่านั้นไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างถ้าการการคาดผลนั้นมันเป็นการคาดตัวเองจากงานที่ทำ ผลจะไม่เกิดขึ้นจากการคาดหมายต่างๆแต่จะเกิดขึ้นในวงปัจจุบันที่ที่รู้อยู่จำเพาะจเพาะเท่านั้นจะปรากฏขึ้นในลักษณะใดก็ต้องปรากฏขึ้นในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำอยู่จำเพาะหน้าให้ภาคกันทำความเข้าใจว่าอย่างนี้ผู้กําหนดฟุตโทรหรือทำบทใ ด, ดก็ตาม ให้มีความรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆเท่านั้นแล้วไม่คาดหมายผลอีกเช่นเดียวกันการที่สร้างธิ์ไว้ในหลักปัจจุบันคือคำบริกรรมนั่นแลเป็นการสร้างผลงานขึ้นมาผลงานไม่ได้เกิดขึ้นจากการคาดชะเนอดีตอนาคต เคยเป็นมาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนีนเรียกว่าอารมณ์อดีตเข้ามาจีบฟางปัจจุบันนัตถ์อนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างตร น, นี้เป็นการคาดการณ์ไหนผิดจากหลักของการภาวนาท่านสอนให้ระวังมากตรงนี้ส่วนมากผิดมักจะแยกออกไปคาดไปหมายต่างๆแล้ว ก, ก็มาเรศฝนเพราะ ไปภาว น, นาไม่ใช่ภาว น, นาี่จะไปคาดเป็หมายเอาผลทั้งๆี่เหตุไม่ทำํำก็ไม่เกิดผลแม้พูดที่เคยตรัสกดผลขึ้นมาแล้วในวันนี้หรือครั้งนี้เป็นอย่างนี้ชาตต่อไปก็ไม่นํำผลที่ตรากฏนี้ที่ผ่านไปแล้วนําไปยุ่งกับวงปัจจุบันที่กําลังทําอยู่รามันอันใดที่ตรากฏแล้วก็ผ่านไปแล้ว ผู้ที่ไม่ผ่านอยู่ด้วยปกติก็คือความรู้ความสงบก็มีการผ่านอารมณ์ต่างๆก็มีการผ่านภาพต่างๆก็มีการผ่านหากปรากฏภาพก็มีการผ่านไปทั้งนั้นผ่านไปแล้วก็ถือว่าเปน็นแล้วไปแล้วอย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์นี่หลักของภาวนาทีใ่ให้เกิดผลเป็นอย่างนี้และไม่ควรไปเป็นอารมณ์ กับเรื่องของผู้อื่นเช่นผู้นั้นภาวนาอย่างนั้นแล้วปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นเช่นนั้นเราอยากให้เป็นเช่นนั้นบ้างอย่างนี้ก็ผิดตรรกะนี้ใส่ข้องตน้ลผลจะไม่เกิดอย่างใดทั้งนั้นให้ถือหลักปัจจุบันดังที่กล่าวแล้วนี้เป็นหลักสําคัญของการภาวนาจะรู้จะเห็นอะไรก็ตามจะรู้เห็นขึ้นจากหลักปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นฐานสําคัญ บ้งตน้นก็มีการลำบากบ้างการสุดติดพ่อมงานไม่เคยทำแต่พอทำได้ปรากฏผลขึ้นมาบ้างแล้วมันก็มีช่องทางมีความบุกบมมีความพอใจในผล่างงานของตนเล่นความสงบใจเวลาสงบสงบจริงๆสงบเป็นขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดอยางนั้นก็มีแต่ไม่ให้คาดนะ ให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนเองรวมลงไปอย่างนั้นถ อ, อนขึ้นมาอย่างนี้ก็อย่าไปคาดอันนั้นเป็นอาการเป็นกิริยาหนึ่งที่พูดขึ้นเป็นสมมติมันจะลงไปไหนจิตพตะล่ำกระแสเข้ามาสู่ตัวแล้วมีความเคลื่อนไหวแยบเหนือนะก็เรียกว่าลงอย่างหนึ่งไม่ไม่แยกไม่ย่บอะไรค่อยรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปแล้วอยู่มี่เขาเรียกว่าจิตสงบให้เป็นตามหลักธรรมชาติ ให้เป็นตามหลักนิสัยของตัวเองนั่นแหละเป็นการเหมาะสมที่สุดนั่นคือสมบัติของเราแท้การที่จะไปคาประยึดเอาอารมณ์ของคนอื่นความเป็นของคนอื่นมาเป็นของตัวอย่างนั้นเป็นการหยุดยืนมาแล้วยังมาสร้างซูปอร์สัก ร, รให้แจิตใจของคนไม่ได้รับผลอย่างใดอีกด้วย mm. จึงไม่ใช่เป็นของดีที่ควรจะประยุึดจะถือเอาอารมณ์ของคนอื่นมาเป็นของตนขณะตอนนีนนเราจะไปคาดเป็หมายเ ว, เวลาอีกเช่นเดียวกัน แม้แต่ร่างกายก็ยังลืมลืมไปอยแล้วนั้นเพราะจิ ต, ตดจดต่อเข้าสู่วงแคบวงจำเพาะเช่นทํา บ, บริกรรมนี้มีความรู้ยักยักอกับทําบริกรรมอนาปาณสติุลมนี้ก็รู้อยู่จำเพาะลมร่างกายจะมีกวา้างแคบขนาดไหนตามสภาพของร่างกายมันก็ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเฉพาะลมก็ทําให้ลืมร่างกายไปเหมือนกันเพราะรู้อยู่จำเพาะเพราะจิ ต, ตดจดต่อเข้าไปสู่จิตเดียว จากนั้นก็สงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปทานกาหนดลมนี้กาหนดไปดนานลมจะละเอียดละเอียดแทบไม่ปรากฏแต่จิตจะเด่นถัลมหมดไปในความรู้สึกจิตไม่หมดคือความรู้ให้ถือนั่นเป็นหลักอยู่กับความรู้นั้นอย่าไปซิกไปค้นหาลมมาอีกหมดไปในความรู้สึกก็ให้รู้ว่าหมดผู้ที่ไม่หมดคือความรู้ ซึ่งเด่นอยู่ภในตัวเองก็อยู่กับวันนั้นเนี่ยเกี่ยวกับการทรมานที่ถูกต้องทันทำตำแอน่งนี้เวลาสงบหลายครั้งหลายหงสเข้าไปสิตค่อยแนบแน่แนลงไปโดยลำบากลแบาเรื่องปัญญา เป็นอุบายแยบภพยของแต่ละคนที่จะคิดค้นขึ้นมาใช้ภายในตัวตัวเองตามนิสัยท่านบอกว่าเป็นส่วนใดเป็่อพิจารณาอาการหนึ่งหนึ่งหรืออาการเดียวแล้วก็ขยับขยายาไปสู่อาการอื่นไปเองอย่างนั้นก็มีนี่เป็นีิพัฒนาส่วนยา ก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับอาศัยสัญญาความหมายมารวมรา่างรูปร่างลักษณะ ข, ของกายส่วนนั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็กําหนดพิจารณาไปตามให<ม>้พอเป็นปัญญาจริงๆขึ้นมาแล้วเรื่องอย่างนั้นจะหายไปเรื่องภาพเรื่องคเนอะไรนี่หายไปเป็นเรื่องของปัญญาเกิดเป็นความแยกคลายขึ้นมาโดยลำดับของตัวเองจิตที่สงบท่านจ่าไหวสาม หักคณิกะสมาธิก็อย่าประยุดึดอุปจาระสมาธิก็อย่าประยุึดคาพูดอันนี้อัปปนาสมาธิก็อย่าประยึดคําพูดชื่อนามอันนี้ให้ถือผลที่ปรากฏขึ้นภายในตัวมากน้อยคือสงบมากน้อยเราก็รู้ตัวของเราเองไม่มีใครที่จะรู้ละเอียดรู้ได้ชัดเจนยิ่งกว่าจิตรู้จิต ร, ร, รู้เรื่องของตัว ให้เราถือเอาหลักอันนี้เป็นสําคัญในการพิจารณาอยากคว้าโนนฟ้านีคณิกะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันคาดภายในจิตแล้วก็เลยไม่ได้เป็นจนกระทั่งคณิกะเอาจริงๆแล้วมันไม่เป็นเพราะเราไปคาดเสียก่อนแปลว่าภาพไปเสียเลยเป็นคณิกะของภาดของการเดาการเสนอไปเสียไม่ใช่เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในตัวเองเพราะฉะนั้นเพื่อ ามแนวแน่เ่ื่อความชัดเจนไม่สังวนจึงควรสังเกตความสงบของออตนที่มีมากน้อยในขณะที่จิตมีสติภาวนาเกิดความสงบขึ้นมาแต่สงบประเภทไหนเราก็รู้ของเราเองชื่อนามนันจะอยู่อย่างหนึ่งเป็นทณนิกะอุปจาระอัปปนานก็คือความละเอียดเขาแห่งความสงบนั่นเองฝุ่นแล้วทณิกะก็คือสองบลงไป ชั่ขนาดนี้แล้วกับถอยออกมาเสียอุปจาระท่านมารวมเฉียดเฉียดก็ฮักถูกนี่ยงกาวไว้ว่ารวมนานกว่าพระนิการแต่ความจริงมันไม่การกล่าวอย่างนี้ในอุปจาระนั้นไม่ใช่เป็นการเรียงลําดับของสมาธิจากขั้นต่ําไปขั้นสูงเช่นข่านอุปจาระ แล้วไปหาปานาทำเอาอุปจาระนั่นคือมันสองออกเข้าไปก็รินแต่จิตมันแฉละออกไปข้างนอกพอารวมแล้วไม่เข้าสู่พวางังแห่งสมาธิไม่ใช่แล้วคอปรู้เห็นสิตต่างๆอุ ป, ปะแปลว่าเข้าไปจาระแปลว่าเที่ยวคือเที่ยวเที่ยวเห็นนั่นเห็นนี้รู้นั่นรู้นี่นี่ก็เป็นตามหลักนิสยัยผู้ที่จะรู้ก็รู้เอง ในวงสมาธิไม่เคยเรียนรู้อะไรก็ตามเมื่อทําสมาธิแล้วจะดุจนิสัยอย่างไรจะแสดงตัวขึ้นมาในสมาธินั่นแหละเบื้องต้นแล้วมีใครบอกว่าให้รู้จิต น, นั้นให้เห็นภาพนี้นะั้นแต่ไม่ภาควันมีนิสัยแนวทางนั้นแล้วไม่บอกก็รู้พอจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วอาการเหล่านี้จะแสดงตัวออกมามากน้อยตามจริตนิสัยของตอนไม่มีใครบอกมันเติมขึ้นมาเองโน่นและ ตอนเป็นขึ้นมาแล้วไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรการเห็นเช็นนั้นถูกหรือผิดมัต้องเล่าให้ครูให้อาจารย์ฟังท่านก่อนแน่อุบายวิธีว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็บอกให้งดอย่าให้ไปรู้อย่างนั้นหรือประการหนึ่งถ้ารู้อย่างนั้นให้คิดจิตมาเป็นอย่างนี้เพื่อแก้ยี่นิด น, นั้นให้ได้ประโยชน์ ทำไม้แก่มันก็เป็นโคตบางอย่างก็ทําให้เพลิน <pe> er> เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไปบางอย่างก็ทําให้โศกเศร้าเพราะภาพมันก็เหมือนกับเรามองเห็นด้วยตานี่เองภาพทางใจบางสิ่งก็น่ารักบางสิ่งก็น่าเกลียดน่าอะไรน่ากลัวหน้าเพลิดเพลินมีหลายอย่างมีท่านเรียกว่าภาพวิมิติปรากฏขึ้นในวงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่ค่อยมี ในนัปฏิบัติทั้งหลายมีจำนวนน้อยมากที่ผู้ปรากฏเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปสนใจกับภาพต่างๆหากจะปรากฏจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาตามหลักนิสัยของเราเองที่ท่านแสดงถึงลักษณะของสมาธิประเภทนี้ไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิขึ้นสูงขั้นสูงโดยลำดับแต่อปปนานั้นเป็นอันเป็นลาดับคือคณิกะ รวมได้บ้างเล็กน้อยแต่อัปปนานั้นรวมได้แนบสนิกอัปปนาสมาธิอัปปนาภาวนาอัปปนาสมาธิขณะที่จิตวมเแล่มแนบแน่ๆๆอโดยลําทังตนเองเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้เวลาจิตเข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธินี่แล้วเมื่อถอนขึ้นมา ความแน่นหนามั่นคงของใจฐานข้องใจ น, น, นั้นยังมีความมั่นคงอยู่คิดผ่านใจจรองอะไรได้อยู่อย่างสะดวกสบายแต่ฐานข้องจิตไม่ละเห็นความมัน่นไม่ละความมั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอ ป, ปนาภาวนา ท, ทั้งทังมีความสงบนแนบแน่นแต่ก็คิดปรุงคิดปรุงแต่งหรือทำหน้าที่การงานอะไรได้ขณะที่นี้มันเป็นการรวมอารมณ์ รวมใจทังตนให้เป็นพลังที่เข้าสู่จิดเดียวให้มีกำลังมีความตุกมีความเย็นใจสบายใจ เ, ออเมื่อเราจะต้องการรื้อถอนวิเศษประเภทต่างๆต้องรื้อถอนด้วยปัญญาสมาทิ่เป็นเจ้ากวาดต้อนเข้ามา สือวงแคบไม่ใช่ผู้จิตประหา ร, ร, หารสมาธิคนไม่ใช่ผู้ปราหารที่แหลกเป็นเียงว่าตะล่ำที่แหละเข้ามาหรือตะล่ำกระแสจิตเข้ามาให้จิตมีความอื่มตัวจิตที่ฟุ้งซ่านนําวามคิดไปนในสิ่งต่างๆแง่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นจิตที่หิวโหวยแสดงความเดินร้อนวุ่นวายให้แต่ตัวอยู่ไม่หยุดหย่อน เวาจิตมีความสงบแล้วย่อ ม, มาแสดงอาการอย่างนั้นจึงเรียกว่าใจมีความอื่นตัวในสมาธิเมื่อใจมีความอื่นตัวแล้วย่อมมาหิวโหยที่นี่เราจะพาพิจารณาทางทางท่านปัญญาก็ทํางานตามหน้าที่ไปเลยเพราะไม่หิวโหยเนี่ยพิจารณาแยแยเรื่องขาดเรื่องขันไอสนาของเราที่มีอยู่นี่มีอะไรบ้างในส่วนร่างกายเนี่ยมันเหมือนกันขั่วทั้งโลกนี่ ผมขลและฟัน์หนังเมื่อเอิก็ะดูพิจนาให้มันรวมอนิจังทุกของอังขารตาอสุภะอสุพังปราชาพีดิตประชาทีาตายมันรวมอยูใ่ในตัวของเรานี่หมดจะไม่รวมยังไงชาติีประเภททีศเรามารับทานกันเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นประชาพีตายอยู่กับประชาทีเป็นคือตัวเราซึ่งยังไม่ตายพิจนาเนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเแยกแยะดูสิ่ ง, งต่างภายในร่างกายนี้ จิตมันก็ถอนตัวออกมาเมื่อมันเห็นชัดเจนแล้วก็ถอนคําว่าถอนตัว ก, ก็คือถอนจากความกดท่วงหรือถอนจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งก็เป็นภาระอันหนักชนิดหนึ่งออกมาได้โดยลําดับตามความแยกพลายของปัญญามากน้อยจนกระทั่งพิจารณาได้ความชัดเจนในเรื่องอริยวะส่วนต่างๆถ้ามันพอตัวงมันแล้วมันก็ปลด มันอินตัวอีกปัญญาอินตัวในขั้นนี้พิจานรณาดูเห็นตามไปจริงสองรูปประขันคือกายนี้แล้วก็อินตัวทํามะอินตัวคือหมดปัญหาที่จะพิจารณาให้เป็นอย่างไรต่อไปอีกพรเข้าใจแล้วจากนั้นก็ขยับเข้าไปถึงพวกเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตซึ่งมันเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับจิตเบื้องต้นก็เกิดขึ้นกับกายเช่นเราไม่สบาย ร่างกายส่วนต่างๆจิตก็เกิดความโกลงตะวันและเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นเรียกว่าทุกขเวทนาทางจิตแล้วก็พิจารณาอีกทีนี้เล่าให้เห็นตายกับเบญปนาเป็นคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันแม่จะอาศัยกันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อันเดียวกันเช่นเดียวกับแม่กับลูกลูกนั้นเกิดขึ้นมาจากแม่จริงแต่มันไม่ใช่แม่มันเป็นลูกมันเป็นคนคนหนึ่งต่างหากถึงอยู่ในค้องแม่มันก็ไม่ไม่ใช่แม่มันก็คือลูกอยู่นั่นแหละ ทุกเวทนาจะเกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนใดก็ตามเกิดขึ้นภ า, ายในจิตก็ตามมันก็เป็นอันหนึ่งจากจิตอันหนึ่งจากกายอยู่นั่นแหละเมื่อปัญญามันพิจารณามันเห็นได้ชัดอย่างนี้ประจักษ์และเมื่อต่างอันต่างไม่ค่าเขาด้วยแยกด้วยการแยกโดยทางปัญญานี้แล้วมันก็เบาจิตใจ เขาไม่ถือลูกกายนี้ว่าเป็นเราเลทนานี้เป okay ็นเราสัญญาเกิดขึ้นจากจิตก็อีกทํานองเดียวกันมันก็ไม่ใช่จิตสังขารปรุงขึ้นจากจิตก็ไม่ใช่จิตทํานองเดียวกันนี่แหละครับลูกที่เกิดขึ้นมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่มันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แม่มันก็ไปคือลูกนั่นเองมันคนละคนไงสัญญาสังขารยิงญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอันหนึ่งของมันเกิดขึ้นมาจากใจแต่มันไม่ใช่ใจเราก็เห็นได้ชัด เมื่อเห็นได้ชัดชัดแล้วชัดเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำท่ามันก็อิ่มตัวอีกเช่นเดียวกันอิ่มตัวในเวทนาอิ่มตัวในสัญญาอิ่มตัวในสังขารอิ่มตัวในวิญญาณเพราะได้พิจารณารู้เข้ารู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ประยุทธ์มันอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาอะไรย่อมมันเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ถอดถอนที่เหลือเป็นผู้ประหัดประหารที่เลือ สติเป็นสิ่งสําคัญที่จะควบคุมปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงหลักใหญ่คือจิตรู้ก็ทราบว่ารู้ไม่ใช่จิตเวทนาก็ทราบเวทนาไม่ใช่จิตปัญญาทั้งขานวิญญาณก็ทราบว่าสิ่งนั้นๆไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สิ่งนั้นเนยแล้วนะจิตมีอะไรซึ่งแบบเป็นจิตแต่ไม่ใช่จิตนั้นมีอยู่นั่นอีกอเรียกว่าประเภทละเอียด กิเลสประเภทละเอียดมันแทรอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญาอันละเอียดแหลมคมมากปัญญาในขั้นนี้จะต้องยังไงก็ไม่พ้นจากมหาสติมหาปัญญาเป็นปชติปัญญาในหลักธรรมชาติอัตโนมัติหมุนตัวอยู่เช่นนั้นเป็นเป็นที่เข้าใจในสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายใจิตที่จะให้เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายมันสัง อ, อยู่ภายในจิตแล้วเราจะแยกออกได้ยังไง เมื่อมันสังยึนภายในจิตแล้ว น, นี่อันหนึ่งมันสําคัญถ้าเราห่วงจิตเราก็เท่ากับห่วงกิเลสประเภทนั่นเองเราต้องยกจิตเป็นเป้าหมายอันหนึ่งในการพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณารูปเวทนาสัญญาตั้งขงานมีอย่างเราพิจารณารูปอย่างไรเวทนาสัญญาตั้งขงานมีอย่างอย่างไรเราก็พิจารณาจิตเช่นนั่นเองแต่เป็นรายละเอียด ซงมีอ น, นิจจังทุกขังนาตาส่วนละเอียดแทรกสุพันนั้นเสร็จพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจยกเอาจิตนั่นแหละออกมาเป็นตัวงานหรือเป็นเป้าหมายของการพิจารณาเยเีกแยกําหนดมันก็เข้าใจนะยึดจะดับแลก็ดับซีพิจารณามันละเอียดละเอียดหมด ถ้าจิตไม่แหลกกิเลสก็ไม่แหลกจิตไม่ละเอียดกิเลสไม่ละเอีเอาให้แหลกเป็นจุนที่จุนไปเลยถ้าจิตคนตอกความร่งตัวเองไม่ได้จะดับไปเสียก็ให้รู้ในขณะที่ที่จะนาะะจิตจะดับไปก็บสิ่งทั้งหลายหรือก็ให้ดับไม่เสียดายไม่ถือจิตจะเป็นเราเป็นของเราแต่ถือว่าเป็นสภาวะธรรมันหนึ่งที่จะต้องพิจารณาให้เสมอเช่ภาคเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้งหลายหนั เพื่อจะเข้าถึงความสงรงภาพอย่างตายตัวไม่สงวนจิตไม่สงวนจิตนั้นว่าเป็นตัวเป็นทัางตัวไม่รักไม่หึงหวงเอาไว้การรักการหึงหวงเอาไว้ก็เท่ากันกับเราหึงหวงที่เหลือประเภทหนึ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตนั้นไว้เช่นเดียวกันจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปเอาจิตนั้นด้วยเป็นจิดที่พิจารณาเอาถ้าจะพูดว่าให้แหลกก็ให้แหลกไปด้วยกัน เมื่อคิดแหลกไปแล้วจิตจะหมดความรู้เสียคนทั้งคนจะกลายเป็นหัวตอก็ให้รู้สถิะเป็นหัวตอแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นมาแล้วสาวกต้องเป็นมาแล้วทําไมเราจะเป็นหัวตอในคนคนเดียวนี้เท่านั้นโดยที่การพิจารณาเช่เดียวกับพระพุทธเ จ, จา้าอยู่เรียกว่าจะปล่อยให้หมดรู้ให้หมดเวลาพิจารณาเข้าไปถึงที่แล้วไอ้ส่วนมันแตกกระจายออกไปมันก็กระจายอืม ไอ้จิตที่ตัวรู้ๆที่ว่ามันจะดับไปกลับมันยิ่งแดงง่ายอันนี้ทนต่อความเป็นอยู่ได้อมไม่ดับถึงอย่างนั้นทนไม่ได้สลายไปคนสติปัญญาไม่ได้สลายลงไปเลยกลายเป็นจิตขึ้นพุิยสุดขึ้นมากลายเป็นทำขึ้นทำทั้งแท่งทำทั้งดวงอาการวิธีจิตอาการวิธีธรรม ไม้ถึงจุดดว ง, งนี้งที่สุดทางการพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นอันว่ารอบไปแล้วจะพิจารณาอะไรอีกมันหมดมีหลังงานของจิตมาหมดที่จุดนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าผู้จิตัางป ร, ร, มรงะมาทใจย่างกตัางกรนมียัง โอมัจจันได้อยู่จบแล้วกิจที่จะเป็นทำได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วพระปรังอิสตายาติประชานาติกิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ก็อีกไม่มีมีเท่าไหนนั่นแหะท่านเรียกว่าเสร็จกิจงานของธรรมนี้เป็นงานยากงานลําบากก็จริงแต่มีการจบการสิ้นลงได้ไม่เหมือนงานของโลกซึ่งทํากันอยู่ตลอดจนกระทั่งวันตายไม่สาเร็จเสร็จสิ้นไปได้เลย สุดท้ายผู้เสร็จผู้สิ้นก็คือตัวของเราเสร็จสิ้นโดยการตายงานยังไม่เสร็จวันกืนปีเดือนยังไม่เสร็จอะไรๆเขาก็มีขังเขาตามจำภาพแต่ผู้ที่เสร็จผู้ที่ตายก็คือเรางานทางด้านธรรม า, า น, นี้มีการเสร็จการสิ้นลงไปได้เสร็จแล้วมันก็หมดปัญหาจะทําทอะไรต่อก็อีกนมันก็ไ ม, มามีงานทำนอกจากดู ไปภาว น, นาไปต่วเป็นวิหาระรำความ อ, อยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กระติกพอถึงการของขันธ์สลายแล้วก็มีเท่านั้นคพื่อทำเพื่อจะถอบทอนที่เดือดสะเทือนใดอีกถึงก็ไม่มีเพราะสิ้นไปนหมดเน้ยเืองจริงๆยังอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อาการภายนอกเคล่นตายพิริยาต่างๆ มันอยู่ที่ใจเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วอัตตพิริยานิสัยเคยครอเคยเป็ยังไงก็เป็นอยู่ตามเดิมแต่มันสัเแต่ว่าเป็นเท่านั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องสักดันออกมาให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเหมือ น, นแต่ก่อนเพราะะฉนั้นบรรดาสาโลกทั้งหลายไม่ว่าใครจนกระทัง่งถึงพวกเราก็ตามผลิณนิสัยของใครเคยเป็ยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะซึ่งสุดยมุดถึงพฟะวิภาระประตามพิริยาการผลิณนิสัยนั้นๆก็จะต้องคง เส้นคงวาอยู่ตามธรรมชาติของตนบางท่าิติดใบสุดแล้วมันเราจะดูท่านผู้ศิลป์กับไม่ผู้เิลป์มันดูไม่ออกถ้าดูออกก็ดูตามลักษณะที่ท่านพูดให้ฟังเท่านั้นีรือจะไปดูอากากศพิเรย์ดูไม่ออก เขามีการกินการหลับการนอนการขับการไช่เรื่องของกายมันมีเหมือนกันเป็นแต่เท็จว่าจิตไม่เข้ามาเป็นเจ้าของเป็นที่เลหลือปัญหาอสุรภะขึ้นมาขึ้นหลังมันผิดกันที่ตรงนี้มันเป็นอยู่ที่ใจใจไม่ไม่เป็นไม่เป็นเหมือนใจที่มีที่เหลือการแสดงธรรมก้องเห็นถึงผลเอาแค่นี้เอง